น่าจะมีข้อสังเกตอะไรที่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ที่เห็นชัดๆว่ามันน่าจะใช้เวลาใีการปฏิบัติไม่นานจะเข้าใจได้ความเมตตาจามารยครูได้นำเสนอจุดนั้นครับกนะ็ขอการคณนะสงฆ์ทุกหลุก็เจริญพรจะยมทุกท่านนั่งปฏิบัติตามปกติ ก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมางานปฏิบัติ่านทำประจำปีของทางวัดธรรมแสงเทียนอย่างนี้กเ็เป็นดีกปีหนึ่งที่ได้โอกาสได้มาได้พา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 ให้อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครนะวนวันหนึ่งให้อยู่คนเดียวเนี่ยเร า, อ, าอยู่ยากมากาในการอยู่คนเดียวในการปฏิบัตินะเราตักข้าวแล้วก็ไปปฏิบัติตามเตือนโยงกลมไปนั่งสมาธิทั้งวันนั้นแหละนะบางทีก็ทําให้เกิดความคิด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 กอาวไปเท้าหนึ่งอา้าวหายใจเข้าออกจนหมดเลยเท้าหนึ่งทีละขั้นทีละขั้นละขั้นไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผมขึ้นไปได้ถึงข้างบนนันถึงวัดทรรเลยซึ่งจริงๆแล้วมานั่งคิดว่าโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยขึ้นไปได้ตาปกติไม่เดินยังไม่เชื่ออยากจะเดินก็มาเรียนเล่าให้ท่าน